พระข้างพุท ธ, ธการท่านอยู่กันเป็นจำนวนมากก็มีมีสิบสามสิบองค์ในที่บางแห่งตามตำราท่านบอกว่าอย่างไรเวลากลางวันเหมือนม่มีพระในวัดประชาชนเข้ามาไม่เห็นพระเขาเข้าใจว่าพระทะเลาะ ก, กันพอหายเงียบ ประกรันประการที่สองเหงพระทัานเค่งขึ้นม่าพูไม่คุยม่หยอกไม่เล่นกันเราเข้าใจว่าพระท่านทะเลาะกันพวกเขาไม่สาเรื่องการดําเนินของพระอะไรต้องการจะพบท่านกาอะไรทาไม้ไปเคาะลักังอะไรนินเรือองมา การอยู่กันเป็นจานวนมากภาระนาที่ที่เกี่ยวโยงถึงกันก็ต้องมากไม่ว่า ก, กิจใดมันเกี่ยวโยงถึงกันขอวัดปฏิบัติเป็นปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาด รักผ้าย้อมผ้าขนน้ำเพื่อจะตุ่มเสีหายเหล่านี้เป็นกิ่นส่วนรวมและมากกว่าส่วนบุคคลการทำต้องได้ช่วยกันทําต่างคนต่างถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความจําเป็นของตนที่จะต้องทําด้วยกันสมกับเรามุ่งมาเพื่อคุณงามความดีเพื่ออัดเพื่อทําทุกแง่ทุกมุม สิ่งใดที่เป็นทรรมชอบทรรมแล้วต้องได้ทำสิ่งนั้นความขี้เกียจเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการอยู่นี้เราไม่ได้อยู่แบบแขกมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเรือนเราเราอยู่แบบพระอยู่ที่ไหนทําดีที่นั่น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 ความขี้เกียจขี้ข้านความเห็นเกี่ยรตัวความรัตเอาเปรียบอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่าทํานายจิตใจหมู่เพื่อนอย่างนี้ไม่ให้มีหรือไม่มีดูตั้งใจปฏิบัติธ ร, รรมเฮ้ยกําจัดเราจะเห็นได้มาเรื่องของกิเลสมีความละเอียดจะ อ, อ, อ้อเพียงไรนั้นเห็นได้ใ น, นสิ่งเห่านี้น มันแทรกมันแซงเข้าใจาเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามมันทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันแทรกแซงอยู่ในหัวใจของพระของเล น, นเรานี่ยอุปฏิบัติไม่สังเกตสิ่งเหล่านี้ไม่คาจัดสิ่งเหล่านี้อื่เป็นของหยาบหยากรกวิกิเลสประเภทอื่นแล้วเราจะแก้กิเลสประเภทเชื่อเหยียดยิง่งกว่านี้ได้อย่างไร นี่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องคิดตลอดตัวถึงเพราะเป็นสิ่งหยับๆการประกอบความภาคเพียรหรือเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นจิตจำเป็นสำคัญอย่างยิ่งภายในชีวิตลมหายใจของเราที่ครองตัวอยู่ด้วยเพศแห่งความเป็นนักบวชและมีความมุ่งมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์ยิ่งต้องถือทำเป็นศาสตราอาวุธอยู่เสมอ ไม่ปล่อยวางอันนี้ว่าทรรมอาวุธอาวุธคือทรรมเครื่องปราประหารกิเลสฝังจมในเนื้อในกายในจิตในใจในกิเยาอาการทุกส่วนของตัวเรามีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลหะอะไรแทรกลงไม่ได้ทุกแต่ตัวกิเลสแต่เราไม่ทราบว่ามันเป็นกิเลสเพราะมันฝังจมอย่างลึก ปัญญาเลีไม่ใช่เป็นของโง่เป็นของฉลาดเกินกว่าสติปปัญญาของเราจะหยั่งถึงมันได้เนื้อหนด้วยเหตุนี้จึงต้องได้อบรมสั่งสอนกันอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันต่อ ก, การแก้การตอดถอนกิเลสประเภทต่างๆนับแต่ส่วนหยาบๆเข้าไปถึงส่วนละเอียดอยู่ภายในผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะสราบ เรื่องเหล่านี้ได้ดีคือระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวของเหล่านี้ไม่เคยกำจัดไม่เคยต่อสู้กันไม่เคยจําระสัสงมาก่อนเนืกอจากไม่ทราบว่ากิริยาอาการใดที่แสดงออกทางจิตใจและกายวาจาความเคลื่อนไหวต่างๆว่าเป็นกิริยาอาการของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของธรรมไม่มีทางทราบได้เลย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 มันจะทำการจีบขว้างให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอให้เกิดความท้อถอยอดอาดหน่อยนายพอจะประอกอบความภาคเกียนเหมือนจะถูกหามเขาไปฆ่านั่นนี่เวลากิเลสมันมีกำลังมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบมันเป็นกิเลสเวลานั่งพรสมาธิภาว น, นา ความพยายามหรือความตั้งใจเดิมนั้นตั้งใจพยายามว่าจะให้จิตมีความสงบเย็นใจดังที่ครูบาอาจารย์หรือธรรมสอนไว้แต่เวลานั่งลงไปแล้วก็มีแต่กิเลสไปทาหน้าที่แทนภายในความเพียรนั้นเสียขับไล่สติซึ่งเคยควบคุมงานในทางด้านอัตถังตะเลิเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้ มีแต่กิเลสเข้าทำมานปวนปั่นจิตใจไปคิดโน้นคิดนี้ยุ่งอหยิงวุ่นวายไปหมดไม่หมดไม่มีกิริยาแห่งความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมปรากฏอยู่ในจิตดวงนั้นเลยมีแต่กิเลสทำหน้าที่โดยถ่ายเดียวนี่เป็นเรื่องสำคัญตอนนั้นเราไม่รู้ทีนี้เมื่อพอกิเลส ปล่อยวางมันกินจะอิ่มแล้วพอปล่อยวางก็แล้วสติก็ลึลกได้ว่าตนนั่งภาวนาแล้วก็มาทวงผลด้วยเว ล, เวลาว่านั่งนานเท่านั้นนั่งนานเท่านี้เดินจงปุมนานเท่านั้นตัวนี้เท่านั้นนาทีทาเท่านั้นชัว่วโมงมาเห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรนะการมาทวงเช่นนี้ก็ เพื่อจะแวกแนวอีกมันเป็นอุบายวิธีการของกิเลสท้งนังเราจะไปแง่ไหนที่นี่มันมันถึงจะดีภาวนาเพื่อความดีมันก็ไม่ได้ดีเพราะกิเลสไปทำหน้าที่ของมันด้วยความเป็นค้าสิบต่อความเพียรของเราเสียต่อธรรมเสียแล้วจะออกทางไหนดีอย่างน้อยก็นอนซะดีกว่ามากกว่านั้นก็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 จิตไม่สงบไม่สงบมีแต่ความพุ่ง่านวุ่นวายเพราะอะไรเพราะกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่ป่วนปัน่นวุ่นวายไปหมดทั้งดวงใจแล้วจะเอาความสงบสุขมาจากที่ไหนเมื่อทำไม่ได้แทรกเข้าไปเลยคือสติผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญถูกขับไล่ใช้ส่งหนีไปทวีปไหนก็ไม่รู้อ่านั้นเวลานั้นจิต ม, มันไม่สงบ เพราะกิเลสมันมากมันมีกำลังมากมันทำการป่วนปั่นทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดแท่นบัลลังแห่งความเพียรของเราไม่มีเรั้วเปงนั้นผลที่พึงใจจะได้อย่างไรเพราะเราไม่ได้ทาเหตุอันเป็นที่พึงใจในขณะประกอบความภาคเพียรมันมีแต่กิเลสมาทําหน้าที่ของมันเกิน ทั้งสิ่งในเอียบทต่างๆแม้ขณะที่ประกอบความภาคเพียนอยู่ก็ตามมีเพราะสติยังไม่ทันเราก็ไม่อาจทราบได้จึงต้องถูกกล่อมไปหลายแง่หลายมุมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกแง่ทุกมุมบรรดาความแยบคาของกิเลสที่มาเสี้ยมสอนจิตใจเราเราจรึงไม่ทราบแล้วก็แวบแนวไปตามกิเลสเสียนี่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 ก็ชื่อว่าได้หลักฐานพยานได้ความแปลกประหลาดได้เครื่องดื่มดำภายในจิตใจเป็นเครื่องสังสัตถาให้มั่นคงลงไปได้เมื่อศรัทธาเชื่อต่อผลที่ปรากฏนั้นได้อย่างลงไปในภายในจิตใจแล้วแม้ในคราวต่อไปวันต่อไปจิตจะสงบตัวลงอย่างนั้นไม่ได้กว่าตาความพยายาม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 ไม่ยอมละไม่ยอมถอนขึ้นมาหลายครั้งหลายหนใต้เข้าไปอีกนี่คือความเพียรผู้เพียรอยู่เสมอต้องได้อย่างนี้ถือว่ากิจนี้เป็นกิจจําเป็นของเราและเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอว่าไม่มีงานใดที่จะหนักมากที่ยวกังานต่อสู้เขพิเดษให้ถึงทราบเอาไว้อย่างถึงใจไม่ใช่งานทำเอาง่ายๆสบายๆได้ตามมาตามหมาย ตามความต้องการทุกเวลามเวลาที่ประกอบความักเพี่ยนหรือนึกเอาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะก็มา จ, จารรมะจันกิเลศก็ไม่เป็นสิงที่ใครจะน่ากลัวนะแม้จะทําเราให้เป็นทุกข์เราพลิกทีเดียวเท่านั้นความสุขก็เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไปได้อย่างใจหวังแต่นี้เพราะทิเลสมันเหนียวแน่นมั่นคงเฉีเลี่ยฉลาดแหลมคมเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะ ตามรู้ตามเห็นและตามถอดถอนแก้ไขมันได้นั้นเองคนเราจรึงยอมได้รับยอมรับความทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสสร้างขึ้นมาภายในใจเราทราบไว้อย่างนี้แล้วเรก็พยายามต่อสู้หนักเบาขนาดไหนทุกยากลำบากเพียงไรก็ตามมันเป็นงานของเราเพื่อเฉลื้ถอนพบถอนชาติอันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเสียบหรือปัก ลึกอยู่ภายในหัวใจนี้ขึ้นมาให้หมดออกให้หมดจนไม่มีกิ่ใดเหลือเมื่อเวลาเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็ให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าดังทัชกาสูตรท่านแสดงไว้เกี่ยวกับพระพุทธอสูรรบกันกับวพวกพระอินทรเมื่อเกิดความ นั่อลสอนพระอันนี้เหมือนกันย่นข้ามาหาสอนพระอรัญเยรุขมูเรวาสุญญากาเรวพิฆโคะเมื่อผันทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุกขมูลลมไม้หรือเรือนว่างที่ใดก็ตามเมื่อเกิดความปาาเสียวหรือต้านทึงขึ้นมาให้พุนยกทงทกงสามสีท่าเทียบอย่างเราทุกวันนี้ คือพระพุทธเจ้าขึ้นมาความครัวนั้นก็จะหายตันวาความหวัดเสียวความครัวนั้นจะหายความพองสยองเกล้าเพราะความครัวนั้นก็จะระงับดับไปสิ่ที่แบบอะ้ระลึกพระพุทธเจ้าซะก่อนอาถาพุททางเสยยะยะตาเหมือนระลึกถึงพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ผล ก็ให้ราลึกถึงพระธรรมแบบเดียวกันให้ ล, ลึกถึงพระธรรมจิตใจยังไม่สงบตัวลงได้ให้ ล, ลึกถึงประสงค์นี่เมื่อมันเกิดความท้อถอยอ่อนแอขึ้นมาก็กให้ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าในเรื่องความภาคเพียรทุกหรือไม่ทุกก็เห็นอยู่แล้วในประวัติของทาง่านทุกขนาดไหน มาเรามันทำยากสวนเรามันทํายากมีแต่ยากรลกกลุ้มดังปกคลุมหุ้มห่อไปหมดเราจะ ป, ปักดำมาเลยปักดํามาเลยนั้นไม่ได้มันต้องถากต้องถางต้องสับต้องฟันให้ละเอียดทั้งขาดทั้งไถเอากันอย่างเต็มที่เต็มฐานควรปกักควรดําควร ว่ปลูกกินต่างๆค่อยปลูกลงไปได้เหมือนหน้าเราทํายากเราก็ต้องเอาให้เต็นที่เราจะทําแบบนาเขาทำํำง่ายๆสวนเขาทำง่ายอย่างนั้นไม่ได้ทกิเลสของเรามันเป็นยังไงมันแก้ยาก อ, าอ้าวก็แก้ยากเอาให้หนักมือเพราะกิเลสมีตามขัานของบุคคล ผู้มีกิเลสเบาบางก็มีกิเลสปานกลางก็มีกิเลสหนานแน่นก็มีแต่พอแก้ไขได้กิเลสครอบอาเสียจนมืดมิดปิดตาทวารทั้งหกไม่มีทางที่จะมองเห็นรู้ได้เลยอันนั้นก็เป็นพวกปทัททะประมะถ้าเป็นโรค ก, กับประเภทที่ไม่ดูหมอไม่ฟังยามีแต่จะตายท่าเดียว มันก็สูตที่ใส่แต่เราไม่ใช่คนประเภทนั้นอุทุมีกิเลสเบาบางกับประเภทอุคติตันยอยู่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายได้ง่ายเพราะกิเลสเบาบางมาแล้วนวิปจิตันยอยู่รองกันลงมาเป็นประเภทที่เบาบางเช่นเดียวกันแต่รองกันลงมา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 อุคติกันอยู่เช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นที่จะรู้เร็วไม่ต้องบอกห้ามไม่อยู่นนขนาดเดียวเท่านั้นเลิกหมดโลกชาติภายในหัวใจนี่เลยเหนือหรือถอนมาในเบื้องต้นโดยลําดับลาดับมานั้นแสนทุกแสนยากแสนลําบากสาหาัสเมื่อเรารู้นิสัยของเราเป็นอย่างนี้ก็เทียบกับว่านาของเราเป็นเช่นนี้เอาเราต้องหนักมือในการประกอบความภาคเพียง อย่าถอยเป็นอันขาดลูกสิทธาโคตรหรือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีปดใดที่สอนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถอยหลังอ่อนแอไม่มีอะไรเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาและได้ผลมาแล้วพร้อมทางการแนะนำสงสอนไว้เป็นเยี่ยมทุกอย่าง เพระนาะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวธรรมให้นำมาประพฤติปฏิบัติให้นำมาต่อสู้กับกิเลสวิริยะธรรมเนี่ยสังเกสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่มีแต่ธรรมเยี่ยมๆทั้ทงนั้นที่จะฟาดฟันกับกิเลสให้แตกกระจาย ไม่มีเหลือภัยดวงใจได้ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้านำไปใช้สาวกท่านนําไปใช้ทำไมท่านจึงได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจจนกลายเป็นเสนาของพวกเราได้ท่านทำวิธีใดเราให้ยึดเอาคติตัวอย่างที่ท่านพาธทำพาดำเนินมามาเป็นเครื่องมือมาเป็นเครื่องดำเนินต่อสู้กับกิเลส นี่ชื่อว่าลูกศิษย์มิตรลูกศิษย์มีครูสมกับกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสเสน่หยึดทั้งข้อปฏิบัติป ฏ, ตปฏิปทาเครื่องนําเนินทั้งวิริยะอุตสาหา์ทั้งสติทั้งปัญญาศรัทธาความเพียรทุกแง่ทุกมีกนยึดมาเป็นคติแก่ตัวเองท่า น, นําเนินอย่างไรยึดท่านมาเป็นหลักเป็นเกียรตเครื่องนาเนินไม่ลดละทอ้อถอยไม่ปล่อยวาง เอาจนได้ชัยชนะเมืเม่อถึงขั้นมันยากก็ต้องเอาให้หนักมืองานนี้งานหนักเราจะไปทำเบาๆไม่ได้เช่นท่อนไม้มันหนักเราจะไปเอามือเดียวยกไม่ได้ต้องทำให้เต็มเรี่ยวเต็มแรงไม่งั้นยกไม่ขึ้นเอาไปไม่ไหวงานประเภทต่างๆมีหนักมีเบา การแกร้ยิ่งเลืประเภทต่างๆย่อมมีหนักมีเบาเหมือนกันแต่ส่วนมากมันหนักด้วยกันทั้งนั้นหากเราจะไปถือว่านหนักแต่ผู้ที่ต้องการสิ่งที่เลิอดกระเสิฐกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถือสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์พอให้เกิดอุปสรรคต่อการดาเนินของต้นแล้วก็ผ่านพ้นไปได้โดยธรรมธรรมะทุกบททุกบาท ที่ประทานไว้แล้วนี้เป็นธรรมะสดสดร้อนๆอนไม่มีธรรมะคลื่นไม่ละสมัยผ่านมากี่ปีกี่เดือนก็ตามอยู่ในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมทั้งนั้นเหมาะสมกับการบําเพ็ญของเราที่จะให้เป็นคนดีตามกับสติกำลังความสามารถของเราและเหมาะสมกับ ก, บการปราบปรามกิเลสทุกประเภทให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปจากจิตใจไม่มีเหลือได้ด้วยกันทั้งนั้น ทั้งครั้งพุท ธ, ธาการในครั้งนี้ไม่มีอะไรผิด แ, แตกต่างกันไปเลยนอกจากความพากเพียรความอุตสาห์พยายามความโม่ความฉลาดของเราเท่า น, นั้นมีต่างกันกับท่านผลจึงต้องต่างกันเป็นธรรมดาพรยายฉะนจึงต้องยึดหลักของท่านมาเป็นเครื่องดำเนินให้ดีสติตั้งให้ดี สติเป็นของสำคัญมากในวงความเพียราขาดสติไปเสียก็เท่ากับขาดความเพียรไปพร้อมในขณะเดียวกันขาดไประยะสั้นยาวเพียงไรก็ชื่อว่าความเพียรขาดไประยะสั้นยาวเพียงนั้นแม้จะนั่งอยู่หรือเดินอยึ่กลมอยู่ก็ไม่ให้ชื่อว่าความเพียรเพราะขาดประโยชน์แห่งงานที่สืบต่อกันมีสติเป็นผู้ควบคุมสาคัญขาดตากไม่ได้ ตังแต่ขั้นปัญญาที่ว่าขั้นปัญญาสติกับปัญญาต้องกลมคื้นกันไปแต่ถึงขั้นนั้นแล้วเราไม่ต้องพูดในขั้นล่มด้วยคุกคามนี่พี่ขั้นขาดแล้วติดติดแล้วต่อกันหนูหนูยุ่งกันเลยเหมืนอนยู่นี้ขาดแล้วต่อไม่ได้ก็มสติขาดไปเอามาต่อก็ไม่น่เพราะไม่สนใจจะต่ออ่อนแอไปหมดบวชเปียกอย่างนี้ไม่ใช่ทางของพระพธธุทธเจ้าให้มีความเข้มแข็ง มีความอดทนมีความพินิจพิจารณาไข้ครวญทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับตนชื่อว่าเพศของนักบวชเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระสาวกทั้งหลายกันเป็นอย่างนี้พินี้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับอายุนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสัมผัสเพื่อจะเกิดเรื่องมทัานั้นนี่ แลเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเขาสติปัญญาเข้าไปจับพิณิพิจณาให้ทันกับเหตุการณ์เรื่องก็รังนับไปถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็รังับไปถ้าเป็นเรื่องดีก็เป็นการส่งเสริมเรื่องนั้นให้มีกําลังมากขึ้นขึ้นไปโดยลําดับ ด, ด, ด, ด, ด้วยการพิณิพิจารณาด้วยความไม่ประมาทด้วยความมีสติมีเป็นหลักของการภาวนาเป็นหลักของการปฏิบัติสําหรับผู้จัด ให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนตั้งไว้อย่างไรโดยไม่ต้องสงสัยหลักเหตุต้องให้เกี่ยวโยงกันไปโดยลำพัอย่าให้ขาดว่าขาดต่ออย่าลืมว่าภาระที่เรากำลังดำเนินเรากำลังแบกหามอยู่เวลานี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทั้งสามนี้จะมาช่วยฉุดช่วยลาก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 พระพุทธเจ้าทางลาเป็นผู้ชี้แนวทางหรืออุบายวิธีการให้เท่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ไปแจ้ไปถอดถอนกิเลสใหเ้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราอยากหวังพึ่งผู้ใดอัตาหิปนูนาโถเมื่อได้รับโอวาจากภูจากอาจารย์มาแล้วให้ยึดเข้ามาเป็นหลักต่อสู้กับสิ่งที่เป็น้าสึกฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ออกได้ด้วยอัตาอา ต, ตาหิปนุนาถู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 การต่อสู้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถด้วยอัตตาเหตุนูนาโถของเราเองนั่นแหละผลมันจะปรากฏขึ้นมาธรรมะอัตตาเหตุนูนาโถนี่ฟังเผลนๆผลแล้วไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่ลาปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมรับเอง จึงได้ทราบว่าอาตั้งอิทธนุนาโถนี้เป็นธรรมละเอียดที่เดียวก็ผู้ละเอียดเป็นผู้สอนนี่ไม่ใช่คนโง่เขลาวบวปัญญาหู่นหวกตาบอดมาสอนธรรมพระพุทธเจ้าเป็นคนหุ่นหงวกตาบอดเป็นคนโง่เขลาวบวปัญญาเมื่อไหร่การทำที่กล่าวที่สอนเหล่านี้ออกมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของ ความโง่ความฉลาดของคนนั้นเท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความที่พระพุทธเจ้าโง่สอนทําไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับผู้ฟังผู้พิจารณาเมื่อถึงขั้นความเพียนที่เป็นอาาัตตาอิโนะโถอย่างชาัดเจนแล้วแยกกันไม่ออกกับพระโอวาทอันนี้ยอมกราบสนิทเพราะประจักษ์อยู่กับตัวเอง เราไม่มีใครจะช่วยเราได้นี่หรังที่เคยกล่าวเสมอว่าเวลาจนกรอกจนมุมนั้นน่ะเป็นเวลาที่สติปัญญาจะฟิก ต, ตัวเต็มที่เพื่อหาทางออกโดยการต่อสู้โดยวิธีต่างๆสติปัญญาทุ่มกันลงให้หมดชีวิตจิตใจเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นหละอัตติตโนนาโถตรงนั้นใครช่วยไม่ได้ ถ้าปิปัญญาก็เกิดขึ้นในเวลาจนกรอบจน ม, มุมูั่นแหอยู่เฉยๆม่จนกรอกมันไม่ได้ใช้ความคิดคนเราเมื่อเข้าจนกรอบถูกทุกถูกเหตุการณ์บงังคับบีบคับ้นเข้าโดยลำดับลาดับจนหาทางออกแล้วไม่ได้แล้วทำไมคนเรายังจะจะยอมตายเฉยๆเมื่อพอมีทางออกได้อยู่เพราะฉะนั้นจึงต้องคิดตองคนยิ่งผูตองการท่ากิเลสอาสะวะทุกประเภทใมเหลืออยู่ ในใจแล้วจะไปถอยได้อย่างไรก็ขณะนี้เป็นขณนะที่ต่อสู้ข่าสศัตรูอย่างเต็มเหนียวกันอยู่แล้วจะถอยได้อย่างไรถอยไม่ได้นอกจากจะเอาให้ทะลุไปเท่านั้นไม่ไม่ทะลุก็ตายไม่ตายก็ให้ทะลุถึงจุดหมายปลายทางถึงใคยชนะอันสมบูรณ์เต็มที่นี่ละ่ะอัตตานิจนุนาโถเห็นเด่นคับ กับคำที่ว่าคนเราไม่ได้งูอยู่ตลอดไปเมื่อถึงข้าวจนกรอบเป็นมุมแล้วฟิตตัวเองขึ้นมาได้ช่วยตัวเองจนหลบดลีปีกตัวเอาไปได้ได้ชาตินะขึ้นมาในขณะที่จนกรอบเป็นลําดับลํำดาไม่สงสัยนี่เคยได้ดําเนินมาแล้วจึงแนะนํามาสัมสอนมือเปลือกเป็นที่ลงใจอย่าท้อถอยกติปัญญาให้นํามาใชาย้ย่าอยู่เฉยเฉยภาวนาก็อย่าให้กิเลสตัวขี้เกียจ ก็ไปแทรกในความสงบพอมีจิตใจสงบบ้างแล้วก็ขี้เกียจพิดนิปิดเจลนาเสียอยากจะสงบนั้นลังาจากนั่งก่อดห่วงเ้างห้องนอนฉับประงกงงันใช่ไหมไล่ะถ้าใจทำความสงบก็ให้เป็นความสงบภายในจิตใจจริงๆด้วยเจตนาด้วยความมีสติ อันเป็นงานสืบเนื่องกันอยู่โดยลําดับในขณะประกอบความภาคยันนั้นไมน่ขาดวัดขาดตอนเนี่ยเป็การเวลา ท, ที่ควรพิจารณาก็ให้เย็น ง, งานจากความสงบมาสู่ความคิดคน้นพิจารณาหาเหตุหาผลตามสภาวธรรมซึ่งมีอยู่ในขันของเหล่านี้เป็นสําคัญมีอยู่ในรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารหนอ ย, อย่างนี้จึงออกมาจากใจ ใจเป็นผู้รับผิดชอบมันอยู่ที่นี่ไม่น่าจะพิจารณาก็พิจารณาตามสิ่งหนเปลี่ยนอาการเท่านั้นแล้วก็ทำด้วยความจงใจยาศักดิ์แต่ว่าทำมีเวลาดูหมู่ดูเพื่อนทำให้อีกนานอาจายเหมือนกันดูกิจยาที่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นักจะไม่ค่อยมีความแยบคาย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 นั้นจได้พูดย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่เสมอว่าปัญญาปัญญาการฆ่ากิเลสทุกประเภทเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าต้องเป็นปัญญาทั้งมวลสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตล่อมกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตัวเท่านั้น ท, ที่เรียกว่าจิตสงบก็คือกิเลสมัน นอนก้นเหมือนกับตะกรอนนอนก้นอกนอนกองอยู่ในนั้นเราจะปฏิบัติต่อตะกรอย่างไรบ้างนั่นเป็นอีกเแน่นั่นเป็นเรื่องของปัญญาจิตขอเราสงบสงบตัวเข้ามาไม่วุ่นวายกับสิ่ง น, นั้นสิ่งนี้หนีออวไาจิตสงบตัวเข้ามาที่พาให้จิตที่ท สมถะ ท, รรทำทําให้จิเตเล็สงบตัวเข้ามาแต่เวลาที่จะแยกจะแย่จิเตเล็ดแต่ละประเภทออกมาฆ่ามาทําลายเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงมันสงบมันก็ยึดมันยับออกไปมันก็ยึดอยู่ในภายในกายนี่มันก็ยุดขันทั้งหานหมดทั้งดวงใจ ถึงสงบมันขอ่อยยดเพราะนั้นจริงต้องได้คลี่คายออกมาถึงเวลาที่จะทำลายกันแล้วคลี่คายอักมาด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนพอเข้าใจเต็มที่แล้วมันต่อยข้องมันเองเช่นอย่างรูปกายนี่กายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนเรียกว่ากองรูป ขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมวดพิจารณากองรูปด้วยแก่ร่างกายนี้จะพิจารณาตรงไหนก็พิจารณาแต่พิจารณาหนังก็ซึมซาก้าไปถึงเนื้อถึงเอง็นถึงกระดูกถึงภายในซึ่งเต็มไปด้วยความปฏิกูลโสโครพอพอกัน ทังภายนอกภายใ น, นพอดูได้อยู่บ้างแม้จะเป็นของสกปรกแต่เป็นส่วนละเอียดก็คือผิวหนังเท่านั้นนั่นก็ยังขี้เหงื่อที่ใครก็เต็มอยู่แล้วเป็นขี้ทั้งหมดบนผีวสัตว์วิเศษหรือสิ่งเหล่านี้ก็ไม่นิยมว่าสูงว่าต่ำมันมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการพิจรารณารูปกาย เราจะพิจาณาตรงไหนมันก็วิ่งทั่วถึงกันเพราะเป็นความสิ้เท่ากันถ้าพูดถึงอย่างอสุภะอสุภังเป็นสิ่งที่น่าเกลียด น, น่าขยะขยะง่ายน่ายึดน่าถือมันก็เหมือนกันพิจารณาเป็นอนิจจังความแปรสภาพทุกส่วนมันแปรเหมือนกันไม่มีส่วนไหนที่จะยักย้างตังต้งตัวอยู่โดยไม่เดินตามทางอนิจจัง ทุกงอนัตตามันเยียวยงเงินไปทำหน้าที่พร้อมๆกันไปจนกระทั่งมีความรู้แจ้งเห็นจริงประจับด้วยปัญญาแล้วอันที่มันยึดถือเคยยึดถืออยู่ยังเหนียวแน่นมั่นคงก็คือกายนี่แหละเป็นสำคัญแม้เช่นนั้นมันก็ทนไม่ได้เมือเ่อได้เห็น ความจริงประจากด้วยปัญญาแล้วจิตถอนตัวออกมาได้ทันทีอุปาทานในขันคือรู ป, ปรขันถอนโตออกมาได้ด้วยปัญญานี่กิเลสประเภทหลงตายประเภทยึดกายเพราะความหลงนี้ถอนออกมาได้ด้วยปัญญาพิจารณาในสามสถานสี่สถานีานนที่อตุระอตุพัง ทุกขังนิจังอนัตตาพ้นจากนี้ไปไม่ได้ถ้าใจได้ซึ้งถึงทำสามสี่อย่างนี้แล้วก็ปล่อยป อ, ยอุปาทานความยึดมั่นในกายเมตนาที่เกิดขึ้นภายในกายในจิตมันก็เป็นตัวนิจังทุกขังอาจาเหมือนกันไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าเฉย มันเป็นใจรลกเหมือนกันพลิกออกมาแต่ว่าไม่เป็นอสุภะอสุพังอะไรเท่านั้นพลิกมานิดหนึ่งก็มาเป็นไตรลักษณ์นี่เถอะเพราะไตรลักษณ์เป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหมวลสัญญาความจำได้ไหมายรู้สังขารความคิดความปรุงภายในจิตใจวิญญาณความรับทราบ ในขณะที่รูปเสียงกิ่นรสเป็นต้นมาสัมผัสตาหูจ ม, มูกทิ้งกายเป็นต้นเกิดแล้วดับไปดับไปประกาศตัวอ น, นิจจังทุกของอนัตตาอยู่ในตัวอย่างสมบูรณ์ของเขาถ้าสติปัญญาด้่พินิจพิจารณาตามความสมบูรณ์ของแต่ละที่ประกาศกลังวานอยู่ภายในขั น, นโดยตลอดทั่วถึงแล้วทําไมใจจะไม่ปล่อย การยึดไว้ถือไว้เพราะความสำคัญผิดต่างหากนี้เมื่อความเข้าใจอันถูกต้องแล้วก็วางลงสู่ความจริงให้ถูกต้องไม่ยึดไม่ถือให้หนักหน่วงทวงหัวใจเปล่าๆรับความทุกข์ความทรมานมามากเพียงไรเพราะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดเกล็แบกหามสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราหยุดความเป็นพิษเป็นภัยได้ถอนออกหมดด้วยปัญญาเนี่ยพิจารณาดี นี่ห ล, หลักของการพิจารณาเป็นอย่างนี้เมื่อมันถอนไปหมดแล้วมันไปไหน่รืมกิเลสมันมาเจียวซุ่มเจียวซ่อนอยู่ตามรูปทุกสัตว์ทุกส่วนของรูปทุกอาการของรูปก็ถูกทำลายไปแล้วด้วยปัญญาเวธนาความทุกทุกเฉยๆทั้งส่วนร่างกายมันก็รู้เท่าทันแล้วถอนอุปทานจาก ความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยว่าเป็นเราเป็นของเราจะแล้วสัญญาความจําได้หมายรู้ก็ถอนจากความเป็นเราเป็นของเราจะแล้วมอบให้อนิยังทุกขังตาอันเป็นความจริงประเภทหนึง่งไปเสียสัญญาสังขารยินญาณก็เหมือนกันมอบลงสู่ความจริงของเขาด้วยปัญญาอันชอบเห็นชอบของเราในที่นี้ วิเลที่จะไปซุ่มซ่อนอยู่ในรูปมันเข้าไม่มีพราะถูกถอดถูกถอนออกไปเดยลำดับถูกฆ่าถูกฟันไปโดิมำดับสะพานที่เกี่ยวโยงออกไปใกล้ไปไกลออกไปหารูกเสียงกลิ่นรสออกไปจากตาตาหูจมูกลิ้นกายออกไปสัมผัสสัมพันธ์กับลูกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็ถูกทําลายลงไปหมดไม่มีที่สิ้ต่อแม้ภายใน อายตนาภายในก็ถูกทำลายลงไปกองรูปก็ทำลายลงไปด้วยปัญญากองเบชนาตายายเบชนาก็ถูกทำลายลงไปด้วยปัญญาสัญญาสังขารมิญญาเก็ถูกทำลายลงไปด้วยสติปัญญาที่เรศประเภทต่างๆที่เคยหลบเคยซ่อนเคยยึดเคยถือให้เป็นเครื่องกดทั่วจิตใ จ, จบีบคั้นจิตใ จ, จยอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วไง มีหลักนะการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเจตจะไปไหนบริษัทบริวารถูกฆ่าถูกทำลายไปหมดแล้วก็ยังเหลือ แ, ลแต่องค์กสัมผัสใหญ่ของมันเท่านั้นเองมันเรียกว่าอวิชชาไม่มีสมุนไม่มีทางออกหากินแล้วออกมาทางรูปทางเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณเขาออกมาได้ถูกตัดสะพานแล้ว ออกไปรูปเพียงกินนส ก, ก็ยิ่งไกลถูกตัดเข้ามาโดยลำหน่ยจนกระทั่งในขันก็ตัดขาดหมดแล้วไม่มีที่ต่อเพียงเท่านี้เราก็ทราบได้ชัดว่ากิจนี้เป็นตัวการแห่งการเกิดการตายยังไม่ถึงขั้นดับอวิชาก็ตายเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ชัดแล้วว่าตัวอวิชชาปฏิญานี้พาให้สืบหนอต่อขนันหออกไป กว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณให้เกิดพบเกิดชาติที่นั่นที่นี่เป็นเพรา ะ, ราะอันใดมีรู้ชัดเลวลาขาดลงไปโดยลาดับลำดับไม่มีเงื่อนต่อก็ทราบชัดว่าเงื่อนต่อที่จะไปเกิดพบเกิดชาติไหนผมนั่นผมนีกไม่มีอันเป็นส่วนแบบหยาบทั้งหลายไม่มี นอกจากส่วนละเอียดนั่งมีอยู่ในตัวของมันนี่ฉนันก็รวมตัวเข้าไปอยู่ในจิตนี่จิตกับวิชาก็เป็นอันเดียวกันน่นเห็นไหมความแยบคายของกิเลสอุปฏิบัติถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจอไม่รู้ว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนละเอียดแลอขนาดไหนเพียงแต่สมุนของมัน ที่แสดงตัวออกมาเท่านั้นก็หลงกันมากเต็มโลกเต็มมิงสารแ้วเหตุใดเราจะไปสามารถรู้กรรษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายได้ง่ายๆจึงต้องถากต้องถางต้องตับต้องฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปแม้ที่สุดจนถึงจุดที่จะถึงปากถึงท้องอยู่แล้วมันก็ยังเอายาพิษไปวางไว้ตรงนั้นอีกอ จิตไงไปยึจิตซึ่งเต็มไปด้วยยาพิษเกี่ยววิชานั้นว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรนั่นคือว่ามันยาพิษไปฝังไว้ น, นั่นแล้วทั้งยึดนั้นก็เอาอีกถึงจะมาเกิดพบน้อยพบใหญ่ยอย่างนั้นก็ตามพบที่เป็นสุขและแน่วแน่ต่อความบุดพ้นมันก็เป็นการลาช้ายังถูกหลอกของวิจชาอยู่นั่นเลยเพราะฉะนั้น ปัญญาเมื่อได้พาดพันธันแหลกเข้าไประดับเชื่ออยู่ที่ไหนมันจึงต้องติดตามเข้าไปนี่เชื่ออันเป็นค่าศึกจอมค่าศึกอันแท้จริงคืออะไรอยู่ที่ไหนนั้นหนีจากใจได้หรือเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเข้าไปตอนงนั้นนี่ตรงไปเจอวิชาที่ไม่กล่อง เ, เราจะเห็นได้ว่าวิชาละเอียดขนาดไหน พอไปถึงจุดนั้นแล้วก็ว่าตัววิเศษวิโสมีความสง่าผ่าเผยมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความองอาจกล้าหาญ ม, มีแต่เรื่องวิชาดัดทั้งนั้นตกตาปัญญาได้ไม่รู้ตัวสติปัญญาเลยกลายเป็นองค์คารักการรักษาวิชาตัวนี้ไว้ดังไม่รู้ตัวนั่นเห็นไหม ข, ขั้นสติขั้นปัญญาอัตโนมัติก็ตามยังต้องหลงกลจนได้ ถ้าไม่มีผู้แนะไว้ก่อนยังไรต้องเป็นหนังนี้ก่อนที่จะผ่านไปได้ไม่เร็วก็ช้าต้องมันก่อนถ้ามีผู้แนะไว้ก่อนแล้วพอไปถึงจุดนี้ตามหลักความจริงของตนประจักษ์แล้วมันก็เข้าใจได้เองอ๋อองนี้เหลือที่ทันว่ายอย่างนั้นนั่น น, นมันก็ใส่เข้าไปทันทีพังทลายเลยไม่เลยชักช้างินง อันนีจังทุกขังหน้าตาก็ไปรวมอนึ่งนั้นหมดอส่วนอันนี้จังทุกข <alors S 1> ังหน้านตาในรูปเวทนาสัญญาสังขารมีญาณนี้มันหมดปัญหาไปแล้ว <ä h> ผ่านไปแล้วไม่มายุ่งว่าอันนี้เป็นอันนจังนั้นเป็นทุกขังนี้เป็นหน้าตาเมื่อผ่านผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสิ่งอนี้นเป็นทาง uted. อันนี้จังทุกขังหน้านตาเป็นตรารักเป็นทางเดินเพื่อความผุด พ, <shine S 2> พ้นเมื่อมันผ่านพ้นไปไปถึงไหนถึงไหนแล้วสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันก็หมดความหมายในว่าอนนีจังทุกขังหน้าตาไปเดิลำดั ไม่เป็นมาเศษมาสัรกันอีกทีกนี้มันอันนี้ก็ไปรวมตัวอยู่กับนู่นเพราะเป็นสมมุติด้วยกันอวิชชาเขาเป็นสมมุติอมสมมุติอันสุดยอดของสมมุติละเอียดสุดยอดอันนี้จังทุกขังนาตาก็ละเอียดสุดยอดอยู่ในอวิชชานั้นเนี่ชาติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันก็สุดยอดในธรรมเครื่องตรปรามปรามตาทหารสมมุติฝ่ายวัตจักรด้วย สมมติฝ่ายวิวัตจักรพิจารณาให้เช่นเดียวกับสภาวตธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาผ่านมาแล้วอยาเข้าใจว่าเป็นสูงเป็นต่ำเป็นที่ยึดเป็นที่ไว้ใจเป็นที่ต้องใจเมื่อพิจารณาครับเมื่อถึงขั้นที่จะทำลายกันแล้วนั้น อันนี้แหละที่เรียกว่าแปลว่าทิปตาพินญาหรืออุคติตันยูก็ได้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่นานอเป็นขั้นละเอียดทว่างงานก็ง่ายแล้วมีแต่ยุกยยุ่ยยุ่ยอยู่ภายในจิตเท่านั้นนอกนั้นหมดปัญหาไปโดยประการทั้งปวงเ่อหนึ่งว่าเราไม่เคยพิจารณามาเลยคืจิตไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งนั้นเพราะไม่ติดใจต่อยมาแล้ววางมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วจะยุ่งทํำไมไม่รู้เอง ตรงไหนที่มีสัมผัสสัมพันธ์ดูดดืดด่มอยู่ตรงนั้นแหละเป็นจุดที่อยู่แในค่าศิษจึงต้องลบตรงที่ตรงนั้นฟาดปานระลักตรงที่ตรงนั้นเพราะจุดสุดท้ายพังทาลายลงไปด้วยปัญญาอันธรรมสมัยแล้วก็หมดอีกเหมือนกันไปพิจานาอะไรว่าอันนี้เป็นอาจารยทุกของอังนักตาใจเป็นในการทุกของอังนักตาได้อย่างไรอันนี้การทุกของอังนักตาเป็นทางเดินเพื่อาพาน้นิพันธงต่างใจที่บริสุทธิ์แล้วเป็นนักตาได้อย่างไร แใจที่บริสุทธิ์และเป็นอาานัตตานิพพานเป็นอาานัตตานิพพานก็เป็นประลักษ์สิเป็นของอสิจันอะไระเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจริงไม่มีทางที่จะพูดว่าเป็นอัตตาหี่เป็นอนัตตาเพราะทั้งสองนี้เป็นสมมุติด้วยกันอันนั้นไม่ใช่สมมติคนมีสายของสมมุติแต่แล้วท่านจริงให้ชื่อเพียงว่า <c oughs> มีมุดเั่านั้นแล้วก็ไม่ขัดกับธรรมบทใด เหมือนคำว่าอนัตตาถ้าว่าคำอนัตตก็ขัดกับใจรักนิพพานก็มากลายเป็นดึงพระนิพพานมากลายมาเป็นใจรักซะเอง <c oughs> เป็นนิมมตพ้นแล้วก <c oughs> ็หมดปัญหา <c oughs> <c oughs> เมื่อถึงจุดนี้ว่าขิปาปิญญาก็ได้เ <c oughs> <c oughs> พราะเป็นขึ้นเพียงขณะเดียวเท่านั้น <c oughs> อุกษษติตนยูก็ได้ทราบ คนมายาของกิเลสทั้งมวลโดยลาดับๆไปถึงขนั้นี้ยินจะทราบเลยนี่ว่าอุคติตนอยู่ก็ได้วิปยิตตนอยู่ก็ได้หากมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเครียเคียงตนเองสอนตนเองพิจารณาโดยลําพังตนเองฟังเทศ <c oughs> ระหว่างอวิชชากับกิตหรือระหว่างขันธ์กับกิตั้งแต่ขันตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารมิารไปเลยนี่เป็นเรื่องฟังธรรมทั้งกลางวันกลางคืนส่วนรูปนี่ก็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 สติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเปียว อ, อยู่เหมือนธรรมจักรก็หมดปัญหาไปเองอเพราะสติปัญญาก็เป็นสมมุติฝ่ายแก่ส ม, มุทัยก็เป็นส ม, มุดฝ่ายผูกมัดเมื่อฝ่ายนั้นซึ่งเป็นฝ่ายพิเลศซึ่งสุดตรงไปหรือหมดปัญหาลงไปแล้วปัญญาจะไปแก้อะไระสติประเภท มัก่าไปแก้อะไรไปตามพิจารณาอะไรควบคุมอะไรหรือถ้าพูดเราพูดก็ว่าสติในหลักธรรมชาติเท่านั้นเองหรือว่าปัญญาในหลักธรรมชาติแต่ว่าปัญญาก็เป็นญาณไปเสีย ญ, ญาณอันนี้คืาถ้าว่าแยกอันหนึ่งมันก็เป็นสมมูิธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เท่านั้นภาพเป็นมิมุตไม่มีอาการ อักอันใดที่แสดงอาการออกอันนั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอาศัยกันไปเพียงระยะชั่วขันแตกสลายเท่านั้นพอหมดเป็นพอขันแตกสลายไปแล้วก็อันนี้ก็หมดปัญหาอาการทั้งมวลนี้ก็เป็นประการสมมุติทั้หมดส่วนมิมนั้นไม่เคยนักโทษไม่ใช่ปูตองหาจะไปต้องไปเจอ หาตั้งคือตั้งนามไปหาพ้นค้าไปมาไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอะไรอถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ยังจะตามจับกลุมคุมตัวมาทําโทษอมั น, นเป็นมิมุติขอให้มันเป็นนั้นเถอะใครเป็นก็รู้ได้ทุกคนนั่นเองสรรที่ติโกรพระพุทธเจ้าไม่ได้ถูกขาดมอบให้กับผู้ปฏิบัติทุกคนจะพึงรู้โดยลําพังตนเองสันทิ่ิโกจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองด้วยการปฏิบัติสติปัญญาของตนเอง ปัตตังเวยิตาโบวินยูท่านผู้้ทั้งหลายจะเป็รู้จำเพาะตนนัน่นก็หมดปัญหาหนักมากขนาดไหนทุกมาเพียงไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วมันลบล้างกันหมดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายไม่เสียดายความเพียรทังตนที่ทำมาหนักเบามากน้อยเพียงไรแทบล้มแทบตายไม่เสียดายกาลัง มเพียที่ทำอยู่นั่นด้วยความทุกยากลำบากเพราะมันเกินคาดเกินหมายเป็นธรรมล้นค่าทำไมเราจะต้องมาถือความทุกข์ความลำบากนี้เป็นอุปสรรคเราจะเห็นธรรมอันประเสริฐที่เป็นเครื่องลบล้างสิ่งล่านี้ได้อย่างไรต้องคิดอย่างนั้นนาะปฏิบัติ <c oughs> อย่าท้อตอยอ่อนแออันเป็นกลมายาของจิตเด็กทั้งมวลมีอยู่รอบจิตใจของเรา การคิดอ่านใจตองให้ดีสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรืน่นงนี้นะสมนามน้าเราเป็นผู้มาชำนากิเลสอย่าให้กิเลสมาเหยียบย่าําทําลายหัวใจเาราริยามายาตอาการแสดงออกทุกเนี่ยทุกมุมอย่าให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลดังที่เคยเป็นอยู่นี้ให้เป็นเรื่องของธรรมได้มีโอกาสแสดงออกมาบ้างด้วยความพยายามของเราสมกํานานว่าเป็นนักปฏิบัติเป็นนักต่อสู้เป็นนักไข้ครวน เพื่อความรู้ความฉลาดตอนนี้เท่เป็นตอนนี้ยุติแล้วบุญให้สติหมู่เพื่อนให้ข้อคิดอุบายวิธีต่อสู้ของยุเหล็กไม่งั้นไม่ทันง่ายๆนะละเอียดสุดที่เดียวแต่เมื่อรู้เรื่องของมันทั้งหมดจนปราบมันดูหมัดคนง่ายนะแล้วนั้นมันจะแสดงอยู่ที่ไหนมันรู้นิ่อ่า ไม่ว่ามันจะแสดงออกมากับคนออกมาจากกับสัตว์มันรู้หมดเลยมันมีแต่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ทันแล้วมันก็รู้ไปทำไมรู้เรามันก็ไม่มีนี่ถึงเราละเอียดอาจริงๆรหมดเนื้อหมดตัวเลยกับมันทั้งนั้นครอบมันหมดทุกขุมขนอืมาันถึงแก้มันยากนา เงาจริงๆใช้ความพิ่ิมาใช้ความอดความทนถ้าเปลี่ยนเอาให้เต็มที่เต็มฐานเพราะเราตั้ ง, งตาตัเจ้ะเอาชนะมันอยู่แล้วการแพ้มันมันสมควรหรือกับเราตั้งใจจะเอาชนะมันแต่แล้วกลับแพ้มันอย่างรุ่นลุ่ลมีที่ฟังตรุ่ลู่ล ๆ, ๆ, ๆ, ๆ่ลูอะกไม่เป็นท่าเลยเลย เคยปฏิบัติมาโฮเป็นพิรยย้อนหลังไม่บางทีจะล้อมหงล้อมให้ดูอย่างตอนจิตเสื่อมแม่มันเสียใจซะจนถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นพอได้ที่เท่านั้นแล้วแหมที่นี่กำลังทางความเพียรความเป็นนักต่อสู้ไม่ซ้ำมาจากไหนถ้าเราเทียบแบบโลกนะ ฆ่าคนได้เขาฆ่าในเพราะเห็นนี่เองมันเทียบแช้นดันถึงใจแต่นี้มันเป็นเรื่องของธรรมไม่จัดว่าเป็นกิเลสเสี้ยเป็นฝ่ายไม้คือพลังของธรรมขึ้นเต็มที่ที่ต่อสู้กั่เลยถ้าเป็นทางโลกนั้นก็เรียกว่าเป็นสมุทยัยเป็นความอาฆาตจริงๆอันนี้มันไม่เป็นหนั้นมันเป็นพลังของธรรม ไม่ยอมที่จะมันแพ้ได้อีกต่อไปให้เสื่อมอีกต่อไปได้เลยแต่นั่นมาเหมือนเป็นอาจารย์เอกทีเดียวไปที่ไหนนี่มันฟิตตัวมันอยู่ตังต้งตังต้งตั้งตั้งไม่คุ้นกับใครเลยอ่าจอหัวมันอยูนั่นเลยแล้วมันก็ไม่เสือ่อมเพราะมันไม่ชอบคอนเสิร์นีกิเลสตัวดีอืมทำก็ดีอ่าเสิร์ตรงไหนมันเข้าตรงนั้นเลยกิเลสทำท่ากนก็ไม่สอนเนื้อเสรอิร์ สนไม่เท่าไรแต่สุดท้ายมันก็มาจมอยู่ในสมาธิจนได้น่ะมันเอาช่องหนึ่งจนได้ยิ่งนิเวลาสมาธิอืนได้อย่างไใจแล้วมีนก็เลติกสมาธิแค่ไม่อยากออกพิจารณาทางด้านธรรมญาเหอนว่าลำบากลาบนแล้วเข้าอยู่ในความดุ้นแนวอยู่อันเดียวไม่กระทบกระเทือนกับอะไรเพราะไม่ออกมาสู้กับอะไรอยู่เท่าไรก็ได้ ติดตรงนั้นทีเนี่ยกิเลสก็ไปต่อมตรงนั้นเแหละติดสมาธิไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรความหลงความติดความติดสุขมันก็เป็นสมุทยัยเนี่ยไม่รู้แน่มันเอาจนได้นะถูกนันมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านังมีชีวิตทานขนาบออกถึงออกไมนั่นนะไม่ยววอบอกให้เล นมันออกแล้วมันก็ออกอย่างแบบแนวเหมือนกันในสัยผมมันผาดผลรู้จักของมันผาดผลจริงๆเพราะครูอาจารย์พูกมาสอนก็ต้องฉลาดจริงๆเพืจะสอนได้ถึงมันนี่้าไอาจารย์มันมีทางกำหนดเวลามันออกมันก็ออกอย่างผาดผลออกแบบไม่ยอมเข้านี่ก็จะออกแค่เดียวว่าจีเรศ ตายด้วยปัญญาเพราะมิสเตอร์เอาปัญญาไม่คํานึงถึงสมาธิเลยไม่ทำหนีสมาธิเลยซ้ำมานอนตายใหเถยๆเนี่ยมันไม่พอดียามันผ่านไปมันถึงรี้มันเป็นฟูมดเวลาจะตายจริงมันก็เข้าสมาธิแต่บังคับเข้าน่ะมันไม่ยอมเข้านันก็ตายยิงต่อสู้นอ่ไม่ถอยเพียงว่ามือไปแปะๆไปเนมันต่อยไม่ได้เหมือกําลังมือไปแปะๆมัน เอาหมัดไปแปะแล้วนี่มันก็แปะแปะเลยนี่มันไม่มีกําลังจะต่อยมั่งก็ยังไม่ถอยให้กิ่นมันจะตายจริงก็หมุนตัวก็มาถึงสมาธิบางคาบเข้าสุดท้ายก็เอาพุทโธกํากับนะไม่งั้นมันจะพึงออกไปงานไม่ใช่มันจะไปไหนนะมันจะพึ่งไปสู่งานบางคับไ้อย่างขนาดนั้นดีกว่าผมใส่ผ่าดโผลบังคับแล้บางคับเอาจิ้งจั๊งพุทโธให้ทียิบไม่ยอมให้ออก ที่เดียวมันค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาสเข้ามาเพราะมันกินทุกอย่างเวลาสงบมันก็กินไม่ยอมทํางานมันจะออกไม่ให้ออกบางคราโอ้หเป็นภาระจริงๆเป็นทุนลัภาระจริงๆแต่ก็ไปแล้ก็สงบแนยวโอ้โหแบบเหมือนกับถอดเสื้นตอดน้ํานะจิตมันมีกําลังบางชาเบาหงอะในตัวนี้จิยวพัก ให้เต็มที่เรื่องถอยไม่ต้องบอกพอตะปล่ อ, อยเมื่อไหรมันผึงเลยมันผึงก็ผึงแต่งานนะไม่ใช่ผึงไปไหนพอถอยมา ป, ป้าจะปุ๊บเลยอาปล่อยใส่ที่หนึ่งแล้โอนมันกันกนํากันก็มีดก็เหมือนกับมีดเรียรับหินเรียบร้อยแล้วคนก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายแล้วงานก็งานทนนี่นั้นมันทนไปได้ยังไง นี่ก็มีเล่มนี้ แ, แต่ได้รับหินแล้วคนกับคนคนนี้ผู้ทำงานแต่มีกำลังมังชาแล้วพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารเรียบร้อยแล้วฟันลงไปงานชิ้นนี้ไม้ท่อนนี้ขาดสะบั้นไปเลยทันแต่เพราะความด่วนนั่นเองคความเห็นโทษมากความด่วนอีบด่วนมันจึงไม่อยากจะเข้ า, าสมาธิก็เห็นคุณค่าอยู่แต่มันต้องจะเห็นคุณค่า การต่อสู้มัก่งกวาสมาธิอีกนดูว่าทั้งวันผ่านของมันไปแล้วฟัดมันเหลี่ยงมั น, นจนมันผ่านมัแล้วจึงมาเป็นบทเรียนทั้งหมดโอ้อุทธะจักท่านว่าอุทธะจักความพุ่งสร้างมันมันไม่ไมใช่เคงสร้งซานเหมนน้นนะความฟุงความเพลินในงานที่ตนทําที่ตนแก้ที่เหลืนั้น อุทจจะภูริจจในนิวรณห้ากับอุทจจะอันนี้มันต่างกันคนละโลกไม่เหมือนกันได้ยังไงอุทจจะในสองวรในนิวรณห้ามันก็มีอยู่ในคนทั่วๆไปแต่อุทจจะอันนี้มันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้กับกิเลสเพลินจนลืมพักผ่อนในสมานน ธ, ธิท่านเรียกอุทจจะคึอมันมรอบตัวก็เป็นประโยชน์อันหนึ่ง มานะมาณถึงจิตดวงผ่องใสเงี่ยแล้คือมานะเก้าหน่อเอาผ่องใสเงี่ยยกขึ้นเป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาเห็นไหมว่าสามสามเป็นเก้าตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยสมมติเราตัวเสมอเขาสําคัญว่าต่ำกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาเนี่ยตนยิ่งกว่าเขาสําคัญว่าต่ากว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาสําคัญว่ายิ่งกว่ามันเก้าแล้ว เอาวันนี้เนี่ยมันเป็นเที่ยงเป็นเขาเองพอนี้พังลงไปแล้วมัน อ, อะไรมาเทีย่ยบมาเคียง อ, อะไรมาพาดมาเหวีย่ยงกันไม่มีเที่ยวเขามก็หมดไปแล้วเที่ยวเขาก็เที่ยวเขาของอาวิชาปฏิยาทั้งข้าลางว่าต่อยเที่ยวมันเรืหักเงไปแล้วมันเอาอะไรมาแข่งอยากสู้กับอไรอี๋อยากสู้ผมไม่อยากสู้ ก้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวความกล้าความกลัวมันเป็นชีวิตทั้งมวลนี่นะที่ว่ามรณะฐานะนกา่ทาทศจากอวิชา ก, ก็ถือนี่แล้วถืออะไรมันไม่มีที่ถือนี่จะไปบอกเขาไปถืออะไรอีกลงในนี้หมดลุปรากะอรูปรากนะมรณะเฉยอรูปรากะาก็ ยินดีในแต่หรับผมการปฏิบัติของผมผมว่ายินดีในภาพภายในจิตเพราะเราปรากฏเป็นภาพภายในจิตข้างนอกมันสลับหมดแล้วมันเป็นภาพนหนึ่งภายในมันก็มายินดีในการพิจารณานี้ความยินดีในการพิจนารณาน้นี่ยท่านเรียกว่ารูป ร, ราคะไม่ได้เป็นราคะตัณหาแบบใ โ, โลกทั้งหลายก็เป็นนะแต่มันไม่มีศัพท์อะไรที่จะมาใช้ให้เหมาะสมกับนี้ท่ากว่าราคะก็คือความเพลินความพอใจในการพิจนารณา อยูกับมันนั้นพอใจกับมันนั้นเห็นมันไปปรากฏเป็นภาพภายในภาพภายนอกมันออกหมดแล้วมันปล่อยทิ่งมันก็เป็นภาพภายในหรือมันกําหนดมีพร่องอยานี้หมดแล้วมันก็ว่างอรุปราคามันไม่มีรูมันก็ยินดีในความว่างของตัวเองเสียแน่เนี่ยพูดทางหลักปฏิบัติที่ประจักษ์กับเจ้าของเราพูดได้อย่างนี้หรือจะว่า ยินดีในสุขเวทนาก็ยกให้แต่มันไม่เด่นเหมือนเหมือนมันเป็นความว่างนี่มันว่างว่างหมดนี่มองดูภูเขาทั้งโลกนี่ตามันเห็นพอเป็นเงาเงาแต่กินทะลุไปหมดมองดูหินต้องก้อนนี่ก้อนใหญ่ๆเข้ากุตินี่มองดูมันพอเป็นเงาเง า, เงา แต่ถิตมันว่างหมดแล้วเนี่ยมองดูร่างกายจ้ของนี่ก็เหมือนกับอะไรเป็นเงาๆอย่างว่าอีกเหมือนกันอันหนึ่งมันทะลุไปหมดมันว่างอะไรสน่อนั้นแต่มันหารู้ไม่ว่าตัวผู้จะเป็นไปว่าเขาว่างมันไม่ได้ว่างมันไม่ว่างทั้งหมดก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหัวตอนมองไปที่นั้นมันก็ว่างทั้งหมดแต่หัวตอนที่มันเหยียบอย่างนี้มันไม่ดูมันว่างที่ไหนมันหัวตอนนั่นแ่ะเนี่ยมันไม่ดูตรงนั้นจะทำไมการพิจารณา ทางภาคปฏิบัติไมอว่าผมเองมันเป็นอย่างนั้นกย็ยกให้ท่านแต่มันถ น, นัดลังเนื้อชอบลังยาผมนมันมาถนัดวอาความว่างมันติอยู่ในความว่างอารูป ร, ราคายินดีอยู่ในความว่างเพลออยู่ในนั้นฝึกซ้อมกันอย่างนั้นเอากันอย่างนั้นมานะากระถือนี้ทุตจะความเพลินในการก้นคว้าการปีนปีนเกิดมา วิชาเขาถือตัวนี้พอนี้เหมืดแล้วมันถืออะไรก็มันถืออยู่ตรงนั้นมันติดอยู่ตรงนั้นก็ถือตรงนั้นยินดีตรงนั้นติดอยู่ตรงนั้นถือตรงนั้นพ่อนั้นหมดไปแล้วไม่เห็นไปยินดีกับอะไรไม่เห็นไปถืออะไรไปติดอะไรทีนี้เวลาอันพอนี้ออกแล้วมันก็ว่างจรมันว่างรอบตัวจริงมันไม่ว่างอยู่กับตรงนั้นตรงวิชามันเหมือนกับว่าเราขึ้นเหยี่ยวกันบนหัวต่ออวิชชาเป็นหัวต่อ เหยียบที่ไหนมองให้ไปว่างหมดแต่หัวต่อที่เรากําลังเหยียบอยงนั้นมันไม่ได้มองลงไปมันไม่ว่างตรงนั้นพอมันย้อนเข้ามาดูหัวต่อที่เราเหยียบนี่หัวต่อก็พังเลอกันจะเท่มันก็ว่างไปหมดนั่นว่างเป็นกันขั้นนี่คือเราก็เคยเทศมืในติ ด, ดพิมพ์ออกเป็นหนังสือแล้วนออกเป็นการเทศแล้ว ในเแื่อดวง ใ, นใจนี่มีการว่างมันเป็นว่างรอบตัวจริพอเลยตรงนี้พอฉะนั้นแล้วมันต้อง ม, มีอะไรจะพูดนะพูดถึงสมาี่ในขณะที่จิตเป็นสมาที่มันก็ว่างถ้มถอนใจสมาธิแล้มันไม่ว่างออกฉะนั้นมันก็เป็นว่างว่างเป็นฐานของจิตดังที่พูดแล้วเนี่บนขึ้นไปอยู่บนคอตอมมันก็ว่าง เป็นว่างขั้นการตามฐานของจิตอันนี้ถึงจิตจะเข้าสมาธิก็ว่างออกมาแล้วความว่างมันจะมีประจําจิตเรียกว่าเป็นฐานของจิตว่างประจําฐานของจิตที่ทําละได้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ว่างในความเป็นจริงของจิตคือในว่างทั้งจิตด้วยไม่ว่าแต่อันนั้นว่างอันนี้ว่างเจ้ของไม่ว่างเจ้าของเองก็ว่างมันก็ว่างไปหมด วางนั้นก็างนี่งวางแต่เจ้าของไม่วางเจ้าของมันก็ยังไม่ว่างพอมาวางเจ้าของเมื่อไหร่มันก็ว่างเหมือนั้นอยู่แบบว่างตลอดทุวถึงแต่แเราเขียนนั้ น, นเราเขียนว่าว่างนี่วา่างขั้นจุดท้ายของตามกำลังของเราแล้วว่าไปเขียนนั้นเขียใครจะมีกําลังเหนือนั้นก็เอาไปสิจะไปได้อะไรนี่เราพูดเป็นกันเองเราพูดอย่างนี้นถึงนั้นแล้วมันก็รู้เองรู้กันทุกคนแต่ไม่จำเป็นต้องไปพูด พ่พูดไว้สําหรับผู้ปฏิบัติให้พิจารณาไปไปที่นั้นมันจะเลยไปไหนอีกอ้อลองดูอีกวันเนี่ยเป็นขั้นเป็นขั้นขั้นในจิตดังนั้นพระกรรมาฐานที่ผู้ปฏิบัตินี่มีจิตภูมิจิตภูมิใจสูงตามขนาดไหนพอมาพูดแล้วกันฟังต่อกันฟังเท่า น, นั้นเน่ะมันอ่านหัวใจกันนี่พิจารณาไงทุกวันนี่นั่นถามพิจารณาอย่างนั้นนั่ น, น, นบอกเลยนั่น อ่านหัวใจแล้วเปิดหัวใจให้อ่านแล้วพิจารณาอย่างนั้นนั้นทราบแล้ว ท, ทราบทันทีว่าอยู่ในขั้นใดถึงแต่สมมติเรามันชิ้นบรรจุไปแล้วก็ต้องพูดเรื่องราวของมันปั๊บออก ม, มาเท่านั้นไม่ต้องมากรู้ทั น, นที่ันติโกไม่มีปัญหาพรูที่เจ้าประทานไม่มีปัญหายีกิน มันมีปัญหาก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นปัญหาอืมไอ้ตัวนี้ตัวมืดนี่ยมันเปิดตรงไหนแล้วมืดตื้อไปเลยตัวของมันมันไม่ได้มืดมันฉลาดแต่เวลามันปิดตาสัตว์โลกมันทําให้มืดมิจปิดตาลืมบุญลืมคุณลืมนรกสวรรค์ไปมืดมันไม่เห็นดีกลับเป็นชั่วพลิกทั้งสันเป็นคมไปหมดฟันเจาะของนั่นแหละ ใครจะอ่านมัน ง, ง่ายๆ่ี่งเลยรู้ขนาดไหนก็รู้เอถอะทำไมรู้ตามแบบระบาบของพระเจ้าที่สอนมานี้ไม่มีทางว่า ง, งั้นเลยเรากล้าพูดได้เต็มปากวิชาใดก็ตามใครเรียนมาจากไหนก็ตามถ้าไม่ใช่วิชาธรรมกุฎิเจ้ายังไงยี่เเลยนหนังไม่ถลอกนอกจากจะเป็นเครื่องเสริมยี่เด็กก็ได้ถ้าวิชาธรรมเข้าไปจับแล้วยี่งเลยตัวไหนลูก ขยักขยักขยักหมอบหมอบหมอ บ, มอบแล้วนี่ไม่เรียบนะั่นอ่านหัวใจในที้มันสําคัญมากนะดูนอกมันดูง่ายดูนุ่นดูนุ่นดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศดูไแต่มันดูหัวใจมันดูของดูยากมันยากอะไรเพราะกิเดลสทาให้ยากแน่แต่เรี่นเรื่องวิปิเลแล้วมันจะพูดง่ายจะพูดได้ยากอะไรพดเดพราะกิเลสทาให้ยาก พอี่เล่สหมดแล้วมันดูยากที่จะให้ดูใจนี่ไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วแน่สิ่งที่มันไม่ให้รู้ก็คือกิเลสเพรนั้นพามัให้รู้ปิดบังไว้ไม่อยากให้ทําไม่อยากให้ดูนี่พอที่เลสหมดไปแล้วมันดูไม่ดูมันก็รู้อยู่แล้วเพราะมันเปิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมาปิดมันนี่นี่ที่ท่านบอกท่านเป็นมหาฤตินะครับท่านในเวลาท่านมีอธิกร พระหรหันมีคนฟ้องเหมือนกันขั้งพุทธการมีพระพุทธเจ้าถึงยกขึ้นเอา น, นี้ไปขึ้นรับแต่ก่อมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นสักขีพยานพระองค์รับสั่งไงนะเป็นความจริงใครไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็หมดนอกจากเทวเทวัพเท่านั้นเป็นกาย เ, เทวทัพแต่กี่คนก็ไม่เชื่อกี่คนก็เท่านั้น่ะก็เป็นเท่านั้นฟพราะพระหรหันถึงขั้นที่สุดก็ยังมี เป็นปาราซีเตอร์กันอยยอย่าไปฟ้องเธอเธอเป็นสติอยู่ในแล้วน่ั่นว่างนี่นะท่านเอามาช้าตอนนั้นสติวิญญาณไปรอบตัวแล้วพูดยังไงเหมืนพูดถ้าเราจะพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ทัวก็อันหนึ่งกิตตวิมุตอันคํามาฟ้องร้องนี่มันเป็นสมมติทั้งมวลมันเข้ากันได้ยังไงกับวิมุตาน่ะแน่เลยนิพูดตามความจากความจริงอันนั้นวิมุตหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวล เหตุใดสมมติที่จะเอื้อมเข้าไปถึงฟ้องท่านมาเป็นส้าวขาปล่อยคืออะไรได้อีกเนี่ยเพราะไม่ใช่วิสัยนี่ยิทิดวงนั้นไม่ใช่วิสัยของสมมุติการฟ้องร้องนี่จะเอื้อมเข้าไปถึงเนี่ยทางนั้นก็กหมดปัญหาแต่มีพระาราหันเท่านั้นท่านจะเป็นสับขี้พยากัน์ได้เพราะท่านเป็นธรรมด้วยกันท่านเห็นด้วยกันท่านรู้ด้วยกันท่านแน่ด้วยกันในสิ่งเหล่านี้ทางนั้นก็เป็นไม่ได้ ทั้การยังมีพระ พ, พุทธเจ้าพเจ้ากัาพบพระอรหันต์องค์เอกว่าไนมีใมาฟ้องพูเจ้ากับรักสั่งเสียนะถึงยังว่าพรวสิวสดิคนถอยคนถอยแต่ว่าเธอคือใครก็ไปตาหนิปีเพียนท่านตรงนั้นเธอเคยสั่งสมวิยานี้มาทั้งนานแสนนานแล้วจะไรยงานเป็นนิจจารินิสัยหรือว่าเธอทำไม อดีนีส้สายของข้าของเราก็เป็นสมบัตรของข้าของเราอนี้ส่เนี้ไม่เป็นโทษเป็กนกรรมอะไรอป็นพรองว่านั่นก็หยุดแล้วว่างอะไรองค์ก็กิยามารยาทสวยงามนี่ก็ว่าว่าเป็นพระาราหัลเพราะคนก็คาดเราพระาราหัลต้องมีกิยามารยาทที่สวยงามนิ่มนวลมากนี่เป็นความเชื่อไง แต่ไม่ได้คำนึงถิงนิสัยนิสัยเป็นของดั้งเดิมความเป็นลหันเป็นความสิ้นจากกิเลสกิเลสไม่ได้อยู่ในกิริยาอนนี้เพราะงั้นถึงันนี้มันจึงไม่ดับดับได้เฉพาะพุทธเจ้ า, าเพีงงเดียวท่านั้เพราะนิสัยก็วาสนาอะไรัง น, น, นั้นดับไม่ได้พ้าสันตากาย พระสงฆ์หลายเพืนอจะทุนพระเจ้าด้วยความชมเชยแหมเป็นเหมือนท่านเป็นพระละหันเลยทุนถามพระเจ้าตรงๆกับมี่ว่าเป็นพระหลานเมยังะถ้าสันตากายให้ชื่อว่าสันตากลายสันตากายแปลผู้มีกายสงบนั่นเองเรียบร้อยสวยงามมา ย, ยาดเลยพระสงํา์ผาบอกว่าโอ้นี่เธอเคยเป็ น, น่าจะสีมาตั้งห้ารยาติไง เ ค, เคยเติอนมาอย่างนี้พระยกราดสัชีขึ้นมาพราดจีนั้นเป็นสัตว์ที่มีสติดีมากเหมือนกับเสือนันเวลาถนอนนี้ร า, าัสีจะต้องกำหนดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนไว้เรียบร้อยตื่นขึ้นมาแล้วเมื่อเห็นอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหวจากที่วางไว้เดิมแล้วราดสัชาีจะไม่ลุกขึ้นหากินจะนอนใหม่ตั้งใหม่ จนรทั่งตืนขึ้นมาอวัยวะส่วนใดที่วางไว้เช่นหูขาหรือหางอะไรอย่างนี้อยู่ปกติแล้วถึงจะลุกขึ้นหากิ่แผดเสียงเอี้ยกกายบิดกายแล้วออกหากินวางมิเธอได้เคยฝึกมารยาทแบบนี้มาเป็นเวลานาน้วจากก็เนินร่าเสียสิวางเพราะนั้นทางทะเลยกธรรมะเป็นพุทตัดนพธขึ้น สันตกาโย ο, สันตวาโจ ο, สันตมนโนสุสมาหิโตอันตาวันอันตาวันตาโลโลกาโมโซภิกขุอุปสันโตติ ว, วุตติผู้มีกายสงบด้วยความประพฤติผู้มีวาจารสงบด้วยความพุ่งผู้มีใจสงบจากที่เดชทั้งหลาย ผู้มีโลกามิตรอันละได้โดยประการทั้งปวงแล้วด้วยจิตที่บริสุทธิ์นั้นนั่นแหละต่าทั้งหลายเรียบว่าอุตสันโตะเรียกว่าพูดสงบรอบตัวพระนธนการกรเลยได้บรรลุธรรมในขณะนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมก็จะว่า พระนั้นก็ได้สําเร็จนนาการสําเร็จของพระอรหานต์แต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาอะไรมากนะประการหนึ่งเวลาเรียนมันกวุ่นกับการเรียนเวลามาปฏิบัติก็วุ่น ก, กับการต่อสู้กิเลสไม่ค่อยได้คิดอาอะไรมากนะไม่ค่อยมีโอกาสพราหลังจากนั้นมานี่ที่ามาพิจารณาการสาเร็จนี้เราเทียบกันได้ตอนที่เราฟังเทศของ พอแม่ครูอาจารย์มั่นฟังค่าวนี้กิตมันเป็นอย่างนี้ฟังคราวนั้นเป่งนั้นค่อมันค่อยเปลี่ยนของมันไปเรื่อยเรืเือเรยมันก็ทําให้เชื่อแน่ว่าองค์ที่ท่านมีอุปนิสัยที่ควรจะรู้เร็วอยู่แล้วพอฟังคราวนี้ปั๊บท่านเลื่อนระดับเข้าใจวันนี้ปั๊บฟังนั้นเข้าใจนั้นปั๊บแล้วในขณะเดียวกันก็เข้าใจมีปั๊บเข้าใจนีปั๊บเลืรื่อยตามทันอผู้ที่ไม่ทันในเท่านี้ฟังข่าวต่อไปเลื่อนเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยเรื่อย สุดท้ายก็ไปได้พระมากก็มากคนมากก็ม า, มากสาําเร็จพ้ะผลนิพพานมากก็มากก็เพราะว่ามันมากก็มากที่ฟังอยูเรื่อยๆด้วยกันแล้วก็เลื่องมันไปเรื่อยเรื่องมันไปเรื่อยผ่านเชื่อนี่มาเชื่อเชื่อเอาอย่างไม่สงสเลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะบ้าแบบนี้วางนั้นเลยนะไม่ยอมถอนบ้าแบบนี้ไม่ยอมแก้วางนั่นเลยอืมมันมีสักขีพยาณอยู่แล้วในขณะที่ฟังเพื่อเป็นการมั่น จิตมันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตัวขงมันเรื่อยเรากําลังพิจารณาในจุดนี้เวลานี้เอาฟังเทงงอดวันนี้นนนนท่านจะว่างไงมาพอยิ่งมาเทิดมาจนจะถึงจุดนั้นก็เทศแบบเหินฟ้านี่แต่เราบินเหินฟ้าเทิดตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอดีเรากําลังพิจารณาจุดนั้นเรากําลังติดจุดนี้กําลังต่อสู้กับจุดนี้ท่านจะว่างไงพอมาถึงนี้ท่านก็พุ่งเลยเนี่ยเพราะท่านเข้าใจหมดแล้วเราก็ได้อุบายท่านป้ากพุ่งตามอ้าวไปใน จ, จุดนี้ก่อนแล้วฟังต่อในวาระต่อไป การนำพิจารณาจุดนั้นพอไปถึงจุดนั้นมันก็เป็นเป็นนี่เราจึงเชื่ออ๋อที่การผ่านพ้นไปในครัง้งปฏิการเพราะเหตุนี้เองวยิ่งผู้ที่เป็นบัวอยู่บนน้ำอยู่แล้วผิวน้าอยู่แล้วมันก็ยิ่งเร็วประเภทอุกติกันอยูุวิปยิตถึงอยู่มันก็เร็วทั้งแต่พวกเนยะนี่คืออยบึกบึนแต่ละครั้งเราหวัง ม, มันก็โผ่ขึ้นมาได้นอกจากประทับประละะัหูหงวกตาบอด แต่ที่แปดด้านในสนใจเรื่องอดมันทํารมเรื่องเหตุเรืงผลนรกสวรรค์นิพพานในทั้งสิ้นนอกจากสนใจกับความทะเยอทะยานไปตามปริเดจปัญหาเอาให้มันลากไปจนถลอกออกเปิดไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้บุญรู้บาปเท่านั้นพวกนี้พวกประทับประหลังตกนรกไม่มีวัน ไ, ได้ขึ้นมาได้เลยในชีวิตนี้มันกระตกอยู่ในภายในใจ มันตายลงก็แล้วมันจะไปไหนวิสัยของมันบอกอยู่ในหัวใจนั้นมันจะไปไหนมันก็บอกอยู่แล้วตายกระสุนตายปืนนั้นมันชี้ไปตรงไหนพอปั้งนั้นมันก็ต้องไปตรงนั้นมันจะไปตรงไหนนี่มันบอกอยู่ในตัวของมันเลังดึงตัวงมันเสร็จแล้วมันจะไปที่ใต้ที่เหนือสูงต่ําขนาดไหนมันบอกอยู่ในจิตมดอืพอขาด ร่างนี้ป้าประปุ๊บเลยนะเหมือนกับเมียวไก่ปั้งเมียวก็พุ่งเลยไม่อย่างนัน้นเกิดการตายเป็นสิ่งจำเจของสัตว์โลกเพราะอันเดียวนี้ทันการแก้ยิ่งต้องใช้ความพยายามเต็มที่เต็มทายเอาเต็มเป็นเอาตายเอาฝาก มอบไว้เลยเพราะยังไงก็ถึงเวลาเราจะตายแล้วไม่ได้ทำความเพียรทุกมันก็จะเอาบีบขั้นเราจะกำลังถึงเราตายเหมือนกัน น, นี่ทุกเพราะความเพียรไม่ถึงขั้นตายมิว่านอกจากที่เลสจะตายก่อนเราโดยธรรเราจะไม่ตายกิเลสตายซะก่อนถ้าลุงได้เอาขันขนาด น, นั้นแล้วเราจะยังไม่ตาย่ะกิเลสมันตายก่อนเอาเวทีเจ้าเพียงขั้นสลอกกิเลสตา ย, ยานี่ สาวกทั้งหลายก็เห็นไหล่ะประกอบความภาคเพียรที่ท่านยกมาเดินเดินตาแตกไม่ตายกิเลสตายเนี่เดินยนต์นนนกรมฝ่าเท้าแตกให้ตายท่านกิเลสตายฝ่าเท้าแตกนี่ก็ต้องเป็นแบบทีๆผมว่านี่นี่มันยังไปนุ่นนะทําไมอยู่ธรรมดาเดินยนกรมฝ่าเท้าแตก <c oughs> ต้องมีเครื่องพาท่านหมุนเราก็เอาความรู้ ขี้มูลาขี้ไม่แห้งเราเนี่ยมันมันก็น่าจะเทียบได้ทเทียบแบบของเราตั้งแต่เราอยู่พื้นแผ่นดินเรายัางมองขึ้นไปพระที่ต้งสูงได้วะ อ, อืนนี้ทําไมเราตําตำเราจะพูดถึงเรื่องธรรมพุทธเจ้าสูงสูงไม่ได้พูดของธรรมของท่านผู้มีความเพียรกล้าไม่ได้ทั้นกล้าพรเหตุอะไรเราก็ยังมีเงื่อนอันหนึ่งเวลาถึงขั้นมันเผยในความเพียรมันลืมจริงๆลืมเหน็ดเหน υ, ื่อยเมื่อยลา ลืมหิวลืมกระหายอะไรทั้งนั้นแม้ที่สุดน้ำมันก็ไม่ได้กินก็ไม่เคยสนใจนีแต่จิตมัหมุนติ้วติ้วอยู่ภายในเดินชีดุยเดินโยกมุมตั้งแต่ฐานตังฐานเสร็จแล้วจนกรทั้งถึงเวลาปัดกวาดนานหรือไม่นานมันรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่กับระยะเวลาน่ะนอกจากมันหมุนอยู่กับความเพียรภายในจิตติ้นั่นแล้วนี่เมื่อมันนานเข้าไปนานเข้าไปฝ่าเท้ามจะไม่แตกได้ไงเราไม่ถึงฝ่าเท้าแตกแต่ว่าออกร้อนโอ้โหเหมือน ไปร้อนแล้วพอมาถึงที่มันต้องรู้นะตอนนั้นไม่รู้แดดก็ไม่รู้ร้อนมันไม่สนใจกับแดดกับฝนอะไรแต่ไมไ่เคยเดินตากฝนเดินยนังกรมแต่ตากแดดนี่เคยแล้วเราอเอาผ้าอ่ำน้ามาพับขึ้นแล้วก็มัดบนผูกนี่ก็มาผูกเสีย้างนี่เหนือแต่ตาเดินยังกรม การแก้งทีเดียวบนสวนไร่ล้างสวนบ้างเขาหนุดึเอาเงิไม่มีร่มเลยลมร่มช่มมางหัวมันต้าดเงนั่นเลยนมันทำได้นะมันไม่สนใจกับร้อนกวาหนาวอะไรเพราะอันนี้มันมุงแรงขนาดนี้เวลาออกจากที่มาถึงเวลาปัดกวาดออกจากที่มันมาเห็นการน้ำนั่นแห มันอากน้ําจ่จะเป็นจะตายยิงนะตอนนั้นมันไม่ได้กินไม่ได้ออกโดดจา่การน้าดิ่นน้ำฉันเออสําลักก็มันจะตายผมไม่ลืมนะว่าโอมันกินๆๆๆนุ่มจริงจริงหนูมันจะตาย น, ะนั่น่ะในขณะนั้นกินไม่ออกสั่อย่างเดียวมันหมดแต่ความหิวความวายที่นี่ใ้เรื่องการดอนโยกุมว่าท่าแต่ผมไม่สงสัยข้อ เ, เห็นนี้พาให้แต่หวังว่าท่านก็เล่นของท่านอย่งนั้นถึงท่านคืน ส่วนที่จะบังคับออกนั้นก็มีส่วนแต่น้อยมากส่วนเป็นไปตามอัตโนมัติหลักธรรมาชาติอแห่งคอามเปลี่ยนทั้งท่านในขั้นสติปัญญาอตโนมัตินี่ผมยอมรับทันทีรอยเปอร์เซ็นเป็นไปไ่้ขัาเท้าแต่ไม่สงสัยเพราะมันบอกอยู่ในตัวแล้วมันลืมไปหมดแลยเรื่องความหิวความหายอะไรมาฟูหรือยามารุ่งรอ ย, ยามาฉุนตจมาเข้าใจมันจะมาคิดเลยนะ หนังมาคู่นี้เหมือนกันผมคือตั้งโอ้ยหกเดือนเจ็เดือนก็ไม่แตะบางทีเป็นเกือบปีปก็มีเวลาประกอบวามเบียนอ่นะในภาษาบางวาน3ไม่เคยแตะสักคำเดียวก็มีฉันไปงั้นอันนี้ก็ททำไปนั้นจะหยุดเมื่ อ, อไรมีปัญหาอะไรมีเราก็เห็นว่าทางเดินของศรัทธาญาติโยมที่เป็นบุญเสดของเขาถืน ม, มาในน่นตามกาลัง ทางของเราเราก็ทำไปนั้นเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรเสียหาย mm. การหน้าที่ชั้นหนานเสียอะไรแล้วก็คิดแล้ว mm. มัพิจารณาอยู่แล้วไม่เห็นมีอะไรเสียหายทางมารยาทความประพฤติหน้าที่การงานอะไรไม่เห็นเสียระพาให้ลมจมอะไรก็ไม่มีนี่คิดไปหมดไม่ใช่เราไม่คิดพอนนั้นเวลาไปทำกิจกินได้สั่งคันธีเลย เราดูสลูกหาในด้านเมืองเขาจะส่งหมากปูดีไให้เป็นกล่องเป็นกล่องกระดาษเขาว่าไม่เสียเงินเลยก็ส่งให้ถึงที่เลยเจาา้าหน้าที่ของเขาทางด้นเมืองโหยาส่งเพราเอามาหูเป็นลังเป็นข้าวเอามาเอามาเอามาดึงมาแล้วจะเปิดอยให้ถ่าั้นเนื้อเอาไปถวายพระวัดไหนวันไหนก็แล้วแต่นะแต่ถ่านให้ทุกกล่องทุกกล่องเนี่ยมีเป็นคําสุดท้ายห้ามให้เอาส่งไปเป็นอันขาด มีเป็นคําสุดท้ายอยู่เพียงเท่นี้หยุดไม่ได้สอนคนให้เป็นประโยชน์อะไรนะแล้อย่าส่งประเด็นขานะส่งไปก็ไม่แตะถ้าลงว่าไม่แตะไม่ข า, านี่นนะเขาใครจะกล้าส่งเมื่อพูดอย่างเด็ดขาดแล้วเราที่เง้นเดือนส่งไปก็ไเกิดประโยชน์ไม่แตะเลยจริงถ้าลงว่าหยุดหยุดจริ ง, รงพอมาลงดอนเมืองโอ้โหพวกนี้มันทั่เข้านอกออกในเต็มอยู่สนามมันแล้วก็มีแต่ มีเจ้ามีหน้านใหญ่หญๆโตๆมึงเข้านอกออกในได้หมดพอรถพอละบินลงมาจอดลานบินเท่านั้นแหละอาจารย์อยู่ไหนอาจารย์นี่ไหน ย, หยุ่งเสียงจอเยอะจ้ะคนนั่งก็ยกจานถาไม่ยกกันนรอกเหมือนเราหิวเราห่หวยเราจะตายมาจากที่ไหนมึงคนนั่งก็ยื่นคนนี้ก็ยืน่นหนึ่นึ่งจะให้นับของใครก่อนในหลังเต็มข้างละบินเขาคิดว่าเราจะหิวจะหมีอะไรเรามีอะไรเฮ้ยง่าย ทำไปไหนถูกถึมุตินิยมอั น, นไหนเมื่อขัดข้องไั่เป็นค่าจิตต่อธรรมต่อวินัยแล้ววินัยแล้วให้คาะวะเขามาสอนเราทำไมหรือนนว่าเป็นที่ถี่มานนะเราก็ไม่เห็นหมีพระหัมมภูกบุริย์นะทันมากอะไรอะไรพูดอะไรบรมนิกิยเทือนภาเนี่ย ต, ตัวทุนูนานตํมิ่งมันละอะไรได้บ้างล่ะเนี่ยมันไม่อายจะของมั้งเหรอ มาฮักเกาที่มันไม่ขันอจุดที่มันกันขันทําไมไม่เกาบ้างทำมันหายขันถ้าไปสนใจของเกาจะของบงั่งมันจะดีพูดขายจะของเอาเปล่ถ้าไม่มีผลมีเหรอพระเป็นผู้มุง่งกับความเป็นพระของพระุทธเจ้าจรงต้องมีเหตุผลมีหลักเกณฑทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำแบบสุ่มๆเดาๆไปมั้ง คนองผมนีการที่จะมาห้ามปรามก็ดีมาขับใสไปไนะก็ดีถ้าไม่ใช่เหตุผลเลยอย่าอย่ามาบอกอย่ามาห้ามอืย่ามาฉุดมาลากไว้ถ้าเหตุผลท่านผมท่านเดียวไม่ข้ามหยุดทันทีแล้ะไปทันทีและทําทันทีถ้าเป็นเหตุผ ล, ลธรรมดานอย่างนี้ในเรื่องเรา เพราะเราปฏิบัติต่อตัวเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเหตุผลคือความถูกต้องดีงามรวมกันตรงนี้นเป็นธรรมเราเคยปฏิบัติทั้งเราได้ผลมากมากน้อยเราเห็นคุณค่าของเหตุผลนี้อยู่แล้วอของไม่มีเหตุผลเอามาใช้ทําไมเอาอืมเอาละท่านอนุญาอืมแบบเนี้ย